ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่คือความจริงใครจะประลบล้างไม่ได้อันนี้แต่ที่เรามักจะว่าทำดีได้ชั่วทำชั่วได้ดีไม่มีแต่กิเลสมันเสกสรรได้คนที่เขาทำเกีบชั่ ว, วทำไมเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นเขา ม, มั่งเขามาีเขามีเอาสาวนาศเกาดูสาันาศของจำปอมนั่นแหละมไม่ใช่ของดีที่เลสพวกจาป้อมมันก็เข้ากันได้สนิทนั่นใครก็เลยไม่มีแต่ใจที่จะทำดีทำดี ถ้าทำดีแบ่งให้คนเขาลงถือมันก็เป็นโลกประเสียถ้าทำดีเพื่อเพื่อความดีสำหรับตัวเองแล้วไม่มีอะไรเขาไปยุ่งได้ท่านทำท่านสบายสบาย